สันดิ์มันมันกัดเหล็กมันเกิดกะเหล็กมันกัดเหล็กกิเลสมันอยู่ในใจเรามันก็กัดเรากัดคุณงามความดีของเราเพราะนั้นกิเลสอยู่ในใจของเรามันกัดเราจะไปไว้ใจมันได้แล้วสัตว์ภายนอกก็เหมือนกันสัตว์สาราสิงเราจะไปไว้ใจมันได้อย่างไรขนาดกิเลสในหัวใจเรายังไว้ใจมันไม่ได้เพราะนั้นต้องระวังกันมันกล้าระวังกันจะฆ่ามันเหรอก็ไม่ใช่แต่ว่ากิเลสในใจเนี่ยฆ่าแน่นอนเหมือนกันเถอะ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 สมมติว่านะเราก็หาให้มันกินอี ก, อกสักห้าบาทแต่มันกินอิ่มจริงๆ15สิบห้าบาทมันให้มันอดซะห้าบาทนั่นอนะ่ะอันนี้ก็คือความเมตตาของพวกเราที่เป็นพระที่เห็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน อันนี้ก็ช่วยๆกันคิดนะมีอะไรก็บอกผมมาจะได้เอาอะไรจับจ่ายยังไงแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่ากีฟว่าคงจะเอาหาข้าวเปลือกนั่นแนหะไปซื้อมาคงจะปล่อยๆเทๆลงไปเป็นจุดๆเป็นที่ๆเพื่อให้มันมาได้กินสงสารมันเหมือนกันนะพกกลิงพกหมูป่ามันเยอะเหลือเกินเลยนะีะถ้าจะว่าไปแล้ว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 มันซ่อนตัวได้ง่ายมันหลบหลีกตัวได้ง่ายและผลละหมากลากไม้ถ้าจะว่าไปและก็อุดมสมบูรณ์กว่าที่อื่นๆปลูกลูกไส้บังลูกกระบกบังลูกไม้ต่างๆที่อยู่ในป่าดงป่าดงดิบเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์กว่า ป, ป่าเบญจพรรณอื่นๆบางงันดังนั้ น, น, นสัตว์ในวัดของเราก็เลยรู้สึกว่ากรอกกระแต น, นกทั้งหลายแหล่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นน่นะ รู้สึกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับวัดอื่นแล้ววัดของเรารู้สึกว่าจะมีสัตว์มากนะแต่เมื่อสัตว์มากก็้วทำไงใชทั้งทั้งปลาในน้ำก็ดูสิอนกเป็ดเนี่ยกำลังมาอีกต่อไปก็เป็นพันนี่เหมือนกันนั่นะจะทำยังไงมาอาศัยเราเราก็ต้องดูแลคุ้มครองแล้วก็จะเลี้ยงอาหารสัตว์ประเภทไหนก็เลี้ยงไป พอที่จะเลี้ยงได้นั่นเถอะสิ่งไหนที่มันเหลื้อป่า ก, กว่าแรงแต่เราจะจะเอาตัวไม่รอดอยู่จะไปหาเลี้ยงสัตว์อื่นไม่ไหวแต่นี่ถ้านบอเราพอเป็นไปได้อยู่เราไม่ดูไม่แลอันาจพราะว่าขาดเมตตาขาดเมตตาในจิตใจเอ๋เฉยไม่ได้สนใจอะไรใครจะทุกข์ใครจะจนมีแต่จะหามาใส่ปากตัวเองเท่านั้นแหะตัวเองกินอิ่มแล้วก็เฉย ไม่ได้คิดถึงใครแปลว่าอยู่กับโลกเขาก็อยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่สังกตายอยไม่คิดไม่อ่านอยู่ไม่มีเมตตาอย่างนั้นไม่ถูกเลยไม่ไม่ใช่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้ามันสอนให้มีเมตตาให้มองดูรอบขอบชิดเพื่อนมนุษย์สัตว์ธี่ไร้ฉันอะไรอันไหนอันไหนอันไห น, อ น, ไหนมองมองมองมอ ง, มองพอจะช่วยสิ่งเหลือจิ่งไหนได้ช่วย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 เครื่องช่วยหายใจจะตกลงมาให้ท่านสวมหน้ากากใส่ของท่านก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กต่อภายหลังแสดงว่าให้ช่วยตัวเองก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นแต่ถ้าว่าปรับมาลักคนอื่นก่อนจปสวมให้คนอื่นก่อนคนอื่นก็นนนกดินไปเดินมาดินไปดินมาผลี่สุดเขาไม่กว่าจะสวมเขาเสร็จ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 แล้วจึงสอนสปปรรพสัตต์ต่อภายหลังแต่พวกเราปุปปับมีแต่จะสอนสปปรพพสัตต์ตัวเองตัวเองก็เลยไม่ไม่ได้จะไม่อยากจะสอนตัวเองแต่บางองค์เออเอาสอนตัวเองด้วยแล้วก็พร้อมการอเออแนะนำคนอื่นไปบ้างสอนคนอื่นไปบ้างอันนี้มาก็ความเหมาะสมในระดับหนึ่งแต่ตามไม่จริงกับสอนตัวเองให้บริรสุทธิ์ซะก่อนน่าจะดีแต่โดยมากโลก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 จากนั้นเราก็นํามาปรปับปรุงแก้ไขากายวาจายใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นอให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมขึ้นการสอนท่านสอนยังไงสอนครวาดสอนยังไงให้ไหวพระสวดมนต์นะให้เป็นพุทธมามากะที่ดีนะให้ยึดพระไตรสารณคมนะอย่าถือมงคลตื่นข่าวนะให้เชื่อกรรมให้เชื่อผลของกล้ำทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ดูแลปฏิบัติบิดามารดาให้ท่านรักษาศีลภาวนาให้ท่านต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทำบุญทำทานในพระพุทธศาสนารักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่าไปเลปียดเบียนผู้อื่นเขาให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็คือทำคำสั่งสอน ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้มีตั้งเยอะแยะสำหรับฆราวาสจากนั้นการคองชีพอุธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรกัะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตัวเองได้มาด้วยความยากลำบากกัญญาณามิตรให้คบเพื่อนที่เป็นผู้มีคุณธรรมมีคุณภาพมีศีนธรรมมีจริยธรรมที่ดี สัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอันนี้สําหรับสอนคราวาตมากมายการปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่อย่างไงปฏิบัติต่อลูกเต้าอย่างไงปฏิบัติต่อเบาไพ่อย่างไงปฏิบัติต่อหมูพวกเพื่อนที่เป็นมิตรสหายอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดเพราะฉะนั้นพกถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนละเอียด สอนให้พวกเราสำเนียกสำนึกถ้าว่าใครทำปฏิบัติตามที่แนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปณสถานถิน่นใดอยู่ณสถานถิน่นใดพูดคิดทำสิ่งใดล้วนแล้วแต่อยู่ด้วยเหตุด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราแหวกแนวออกไป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 เมื่อสิ้นดีแล้วสมาธิเป็นยังไงพวกเรามาอบรมเรื่องสมาธิมาอยู่ป่ารงพงไพสมาธิในก่อนที่จะเกิดขึ้นมาได้ต้องทำอย่างไรไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาแบบลอยลอยมันจะเกิดขึ้บ้านแล้วก็เกิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ลงมือประพฤติธปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นมาแบบ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 ไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นมาแบบ ล, ยลอยๆไม่ใช่อย่างนั้นต้องบังคับ อ, อบังคับก็คืออะไรกําหนดดูเอา้าวข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าจะไมใ่ให้เผลออให้จิตอยู่กับตัวเองจะตลอดพุดโทโธพุโทพโธการก้าวการเดินการไปการมาบินท่าบาทการฉันการพูดคุยพยายามพูดคุยให้น้อยที่สุดพยายามให้จิตอยู่กับตัวเองเ อ, อคือตั้ง์จิตเอาไว้โดยความมั่นคง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 แต่ก่อนมันเห็นอะไรมันเห็นเมื่อมัวมวเมาเมาไปงงงงง้างไปแล้วก็ผ่านผ่านไปมันไม่ชัดเจนแต่ถ้าเห็นด้วยสมาธิเนี่ยจิตผ่านสมาธิมาแล้วเนี่ยกําหนดปุ๊บตรงไหนมันเห็นแจ๋วแจ้งชัดเจนเมื่อเห็นแล้วจะพิจารณาอะไรมันใช่ของเราจริงหรือไม่ของเหานี้มันเป็นของเราจริงหรือไม่เป็นของจีรังถาวรจริงหรือไม่มันจะอยู่นานจากเท่าไรเป็นของเราใช่หรือไม่ ตนี่แหละท่านเนี่ยเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ได้เลยกิเลสราคะกุฏิที่มันยึดมั่นถือมั่นให้ความสําคัญร่างกายว่าเสร็จสวยงดงามมันจะลม้ลมลงเป็นกองกองอะไรแะงั้นท่านๆเออมันจะไปรักไปหลงมันทําไมร่างกายเนี่ยคือมีแต่กระดูกมีแต่เนื้อมีแต่ตับไตลำไส้เหมือนกับเราเห็นสัตว์ที่ฉานอย่างนั้นนะในร่างกายของเราก็ไม่แพ่กัน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 ปฏิกูลโสศกสโโ ก, โกโปรกมีแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ไปในเมื่อเราเห็นร่างกายของเราชัดเจนแล้วสิ่งข้างนอกมันก็เห็นได้แล้วใช่ไหยแต่เราไม่ใช่โอปฏิเศษ เ, ออเห็นร่างกายตัวเองเป็นอสุภะแล้วจะอ้วกอยู่ทั้งวันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเ อ, อเมื่อเห็นแล้วก็รู้ว่าเราคืออะไรเราอาศัยมันอยู่แต่เราไม่หลงมัน เ, ออเหมือนกับ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 พระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมสั่งสอนแนะนำท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมรูปธรรมนันคือร่างกายสังขารนามธรรมนั่นคือจิตใจความนึกคิดที่อาศัยอยู่ร่างกายนยีเพราะนั้นร่างกายเนีแตกสลายตายไปสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนเพราะร่างกายเป็นธาตุสี่แต่ส่วนจิตใจนั้นที่อาศัยอยู่เนี่ยมันจะต้องออกจากร่างนี้ไป ไปยึดปฏิสนธิที่อื่นอีกอไปอยู่ปฏิสนธิที่อื่นอีกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉนั้นพระพุทธองค์ท่านมองเห็นว่าเนี่ยมันทํำไมจึงไปยึดอย่างนั้นเพราะมันมีเชื้ อ, อใจมันมีเชื้อเชื้ออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในนั้นในเมื่อมันมีราคะโทสะโมหะไปทั้งหน้ามันก็ไปติดไปยึดไปลุ่มไปหลงอีกอย่างเก่า หลงในพบหลงในชาติเกิดเป็นหมากระหลงในร่างกายกันหน้าอยู่ของมันนะเกิดเป็นหมูกันติดในร่างกายหมูก็นหน้าอยู่ของมันนะกินญาณไนะใจนะอไปเกิดเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเป็นทุกขูหนวกตาบอดมันก็นยังรักในร่างกายของมันเพราะกิเลสมันพารักพาลุ่มพาหลงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายหลงร่างกายตัวเองอย่างนี้น่ะ่นะพิจารณาดูสิพิจารณาเห็นชัดๆ ด, ด้วยปัญญา อใครก็รักหลงร่างกายของตัวเองทั้งนั้นถึงจะ ก, กี้ร้ายขี้เลอยังไงก็รักหลงในร่างกายตัวเองอยากจะได้อยู่ที่ร่างกายคนอื่นเขาสวยเงด้ยพนันเราก็อยากจะสวยเหมือนเขาแต่ถึงยังไงก็ของเขาก็คือของเขาของเราคื อ, อเราก็รักของเราอยู่อย่างนั้นอนี่หละความหลงความหลงในร่างกายอภิชาราคะโทสะโมหะ มันอยู่ในเนี่ยอยู่ในใจของเราเนี่ยมันหลงหลงร่างกายถึงจะรักจะหลงยังไงก็เถอดนะร่างกายเนี่ยมันก็ยังเป็นของผู้อื่นอยู่เสมอเป็นของอื่นอยู่เสมอเออมันไม่ไปเป็นของเราแล้วงั้นาถัดถึงเราจะเล่าหลงรักขนาดไหนก็เถอดร่างกายมันก็แก่เออมันก็เจ็บถึงเ ข, death, งขาเจ็บถึงเขาตายมันก็าตายถึงเขาแตกมันก็แตกใจของเรามีแต่เป็นทุกข์ละเถิดเลยพอเห็นเจ็บทุกข์ร่างกายทุกข์ขึ้นมาหน้าม้อย ท่านจะเป็นมะเร็งนะเขาบอกมะเร็งตรงนั้นตรงนี้นะเพียงแค่นั้นนะมดในความรู้สึกล่ะพราเหตุไรคิดว่าตัวเองจะต้องหนีจากร่างนี้แน่นอนละ่ะพราะเราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่ท้องแม่มาเรายึดมาอยู่ตลอดวันนี้ร่างกายนี่เป็นของเราถ้าว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้า ไม่ได้รับการชี้แนะชี้นาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากธรรมะแล้วเราจะแยกไม่ออกแต่ขณะได้รับขณะ น, นี้ยังในใจยังเลืกระโลยังไม่เชื่ออยู่อีกต่างหากนะยังไม่เชื่ออยู่ในตางหากแต่เพราะนั้นถ้าว่าเราได้ปฏิบัติเราได้ภาวนาเราพยายามทําจิตให้สงบตั้งแต่เบื้องต้นอย่างที่ว่านเอาสติบังคับจิตใจให้อยู่ในความสงบ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 มันเป็นคนละอันกันมันเป็นคนะส่วนกันเหมือนกับรถคนกับรถอย่างนั้นเนี่ยใจกับกายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่จะมองเห็นจุดนี้ได้เรื่องสมาธิสติต้องมาก่อนนะแต่เมื่อสติดีแล้วสติเป็นหนึ่งแล้วจิตสงบเข้าเป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันจะเห็นเป็นเรื่องเป็นราว จะเกิดปัญญาขึ้นได้ง่ายเนี่ว่าศีลสมาธิปัญญาในเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นร่างกายสังหารเห็นจิตใจของตัวเองเห็นจิตเห็นใจของตนเองมันมาจากไหนเอความรุ่มหลงมัวเมาเนี่ย เ, เราไม่ใช่มาดูข้างนอกได้สิมันย้อนเข้ามาหาดูใจบาลเนี่ย เ, เรื่องทั้งหลายออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจก็คือความรู้สึกนั่นแหะเออ ทา้งที่แต่ก่อนมองไปข้างนามป่านี้มองปัญญาสติมองสติมองปัญญาย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ป่านีลเรื่องทั้งหลายออกไปจากผู้รู้ทางนั้นออกไปจากใจทางนั้นใจออกไปหลงเขาเนี่ยมองที่นี่ยมองใจตัวเองเนี่ไเอาสติจับจ่ออยู่ตรงนั้นปัานนี้ดูอยู่ตรงนั้นเราเราจะเห็นได้แหมันเหมือนกับมีอะไรออกมาจากใจมองออกมามันเห็นด้วยใจตัวเอง มันจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันผ่องใสจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันผ่องใสมันจะเกิดอยู่อย่างนั้นมืดสว่างมืดสว่างเหมือนกับหิงห้อยอยู่ในจิตใจขอเราเออวับขึ้นวับมืดวับสว่างวับแวกห้อยเหมือนหิงห้อยอยู่ในใจน่ะมันออกอยู่อย่างนั้นมันสายอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งหลับทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นมันอยู่อย่า well. งนั through, ้นอยู body, dating, ่ในจิตใจ เพระนั้นพวกเราให้ดูดูที่ใจทั้งสองอย่างนั้นมันของเกิดดับท่านเป็นของอนิจจังทั้งนั้นแตมันเกิดอยู่ในนั้นอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุ ก, ทกจะเป็นตัวตนเราเขาได้อย่างไรปฏิเสธลงไปเลยนั่นแ่ะเออเอาธรรมะอนัตตาเข้าไปปฏิเสธจุดนั้นนั่นแหละที่จะทําลายพพทําลายชาติเนี่ยอนัตตานะ ออนาตานะธรรมะอนาตานะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะอเนี่แหละสัพเพธรรมาอนัตตาเรื่องทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราเรื่องทั้งหลายหนึ่งความนึกคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ปฏิเสธหมดไม่ยึดมั่นถือมัน่นโดยประการทั้งปวงมันจะเกิดมันจะเป็นยังไงไม่ยึดมั่นทั้งนั้นอันนั้นคือธรรมะที่ลึกซึ้ง ธรรมะในหลักของพุทธศาสนาแต่เราจะไปเอาธรรมะจุดนี้ไปพูดข้างนอกไม่ได้พูดข้างนอกอยังไง แ, แค่ว่าเอา้าเราไม่ยึดบ้านยึดเรือนเราจะไม่ยึดที่อยู่อาศัยของเราปล่อยป่าละเลยมันได้เหร อ, อ น, นั้นแปลว่าผู้ไ ม, ไ, ไ, รรมไม่ได้ศึกษาธรรมะผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะผู้ไม่ปฏิบัติพระวินัยคือพระวินัย ศีลก็คือศีลสมาธิคือคือสมาธิปัญญาก็คือปัญญาเราต้องแยกให้ออกเราจะไปแยกเราจะไปเอาเรื่องศีลมาตีสมาธิเอาสมาธิมาตีปัญญาไม่ได้เราต้องแยกให้ออกถ้าว่ามาแยกออ ก, กนั้นแสดงว่าโง่มากไม่ใช่นักปฏิบัติมีแต่วงชี้เล่ามาพูดกันอย่างนั้นแต่นักปฏิบัติแล้วมาถึงจุดนี้แล้วมาเข้ามาถึงจุดนี้แล้ว เราจะรู้ได้หมดทุกอย่างใครอ้าปากพูดยังไงก็ได้อัตตาตัวตนเรื่องธรรมะอยู่ในจิตใจวเราต้องแยกออกเตีองพระสูตรพระสูตรคือคือพระสูตรพระวินัยคือพระวินัยพระปรมาทคือพระประมาทเราจะเอาพระประมาทไปใส่พระสูตรไม่ได้เราจะเอาพระประมาทไปใส่วินัยไม่ได้พระสูตร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 การเป็นอยู่อย่างไรต่อสรรพสัตว์ทางหลายเมตตายอย่างไรอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องศีลทั้งนั้นการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงจิงจะร่มเย็นเป็นสุขได้มีกฎกติกาอย่างไงมีกฎเกณฑ์อย่างไ ร, กฎกฎ อ, งไรอันนี้ก็คือเรื่องศีลดึงสมาธิกือเรื่องส่วนตัวเข้ามาเราจะนึกคิดเรื่องอะไรก่อนที่จะเป็นสมาธิได้เนี่ยเอาสติสติเข้ามาบังคับความนึกิด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 อ่าอันนี้เลยว่าประมาจักรท่านเออ่าเราจะไปพูดกี่เอาประมาจไปโยงถึงพระสูตรถึงพระวินัยไม่ได้อ่าผิดว่า ง, งั้นเถอะอ่าเพราะฉะนั้นพระประมาจคือพระประมาจักรปรมัตรธรรมปฏิเสธทั้งหมดในจักรวาลในโลกเลยร่างกายก็ยังไม่ใช่ตัวตนถ้าถ้าว่าเป็นของตัวตนอย่าแก่สิอย่าเจ็บสิอย่าตายนะเธอปฏิเสธเห็นม มีแต่คนหน้าโง่ทาไปหายึดร่างกายว่าเป็นของตตนฮอถ้าเป็นธรรมส่วนลึกแล้วท่านจะรู้ได้ตนเองถ้าใครใจยึดอย่างนั้นท่านก็ไม่ว่าสอนแล้วไม่ฟังก็ไม่ว่ากันยึดก็ยึดไปเอถ้าธรรมะขั้นลึกซึ้งเราท่านรับฟังได้ทั้งหมดเอเหมือนกับเด็กงอแงงอแ ง, งอแงย่างไรผู้ใหญ่ก็อเออเออเออไปตามเอเหล็กก็นกนกเออนกเหรอเออเอเอไปตามเรื่องอย่างนั้นลหละ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 แต่ผู้สนใจฟังแล้วพูดให้ฟังเป็นคติเป็นตัวอย่างเป็นแนวความคิดนำไปประพุทธปฏิบัติปรับปรุงใจของตัวเองไม่ต้องพูดว่ากายวาจานะปรับปรุงใจของตัวของตัวเองถ้าพูดถึงทํประคันประมัดแล้วปรับปรุงใจของตัวเองเราจะปรับปรุงใจของเราอย่างไรให้ดูใจของเราอย่างไรเพราะนั้นะพวกเราท่านทั้งหลายนะ